ญี่ปุ่นคนหนึ่งนะอายุก็เกือบแปดสิบแล้วเรียกว่าเป็นคุณปู่ก็ว่าได้ทุกวันนะเขาจะมีกิจวัตรอยู่อย่างหนึ่งก็คือเดินขึ้นหน้าผาหน้าผาก็สูงด้วยนะก็ไม่ใช่ง่ายนะคนแก่อายุเจ็ดสิบเก้าเนี่ยจะขึ้นหน้าผาทุกวันทุกวันถามว่าขึ้นไปทําไมนะไม่ได้ขึ้นไปออกกําลังกาย ไม่ได้ขึ้นไปชมวิวนะจะขึ้นไปทำภารกิจบางอย่างแล้วก็เป็นภารกิจที่ทำมาเกือบยี่สิบปีแล้วภารกิจนั้นคืออะไรนะก็คือสอดส่องมองหาคนที่คิดจะฆ่าตัวตายหน้าผานั้นจะมีคนหนุ่มคนสาวส่วนใหญ่ก็หนุ่มสาวนะเรื่องที่จะปีนหน้าผาแล้วกระโดดลงมา ค่าตัวตายทื่ว่ามีคนทำอย่างนั้นเนี่ยบ่อยมากเลยเนะปีหนึ่งก็เกือบสามสิบคนเฉลี่ยก็เดือนละสองคนสามคนคงจะมีการแนะนำบอกต่อๆกันมานะว่าถ้าจะค่าตัวตายก็ให้มาที่นาผานี้มันก็เลยมีคนหนุ่มคนสาวหลายคนเนี่ย มาจบชีวิต ท, ที่นี่คุณปู่คนนี้เนี่ยแกก็เลยขึ้นมาที่หน้าผานี้เป็นประจำทุกวันแล้วถ้ามองเห็นว่าใครเนี่ยทำท่าว่าจะค่าตัวตายด้การกระโดดลงมาจากหน้าผาแกก็จะเข้าไปหาไปพูดคุยชวนไปดื่มน้ำชาที่บ้าน บางทีก็หาที่หลับที่นอนให้ก็ที่ไหนก็บ้านแกนนั่นแหละแล้วแกพบว่าการทำเช่นนี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยให้หลายคนเนี่ยเลิกคิดสั้นเลิกค่าตัวตายได้แกทำมาเนี่ยสิบเก้าปีแล้วนะก็เรียกว่าทำตั้งแต่ยูหกสิบอาจจกกะเกษียณเนี่ยแล้วแกก็เลยความเป็นห่วง คนที่คิดสั้นแล้วแกคิดว่าเนี่ยคนเราเนี่ยถามว่าหยุดใจตรองสักหน่อยเนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนใจได้แล้วแกก็พบว่าความมีน้ำใจความเอื้อเฟื้อความเป็นมิตรเนี่ยมันช่วยให้คนหลายคนเนี่ยเปลี่ยนใจไม่ค่าตัวตายได้ เพราะว่าคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็รู้สึกว่าชีวิตนี้เขาไม่เหลือใครแล้วมีเขาคนเดียวอาจจะประสบความผิดหวังประสบความล้มเหลวรู้สึกว่าตัวเองมีไร้คุณค่าไร้คุณค่าแล้วก็อยู่โดดเดี่ยวลําพังแม้จะมีคนรู้จักแต่ว่าไม่มีใครใส่ใจมันก็ทําให้เกิดนะความอยากจะตาย แต่พอมีใครสักคนนะเข้ามาพูดคุยทักทายด้วยรอยยิ้มด้วยความใส่ใจมันก็ทำให้หลายคนได้สตินะพอได้สติแล้วมันก็มองเห็นทางออกของชีวิตหรือมองเห็นความหวังแม้ว่าปัญหามันจะยังไม่ได้แก้ทันทีแต่ก็เชื่อว่าเนี่ย จะสามารถก้าวข้ามผ่านนะวิกฤตชีวิตได้ก็มีคนไปทำเรื่องราวของคุณปู่คนนี้นะแล้วเขาก็บอกว่ า, วาเนี่ยถามคุณปู่ว่าเนี่ยแกช่วยช่วยคนมาได้เท่าไหร่แล้วแกบอกเกือบแปดร้อยคนนะนะตัวเลขจริงๆคือเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจนถึงวันนี้นี่ช่วยได้อาจจะเกินแปดร้อยแล้วก็ได้ คลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็เผยแพร่ช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมามีคนแชร์มีคนส่งมาเพราะประทับใจนะคุณปู่คนนี้ตั้งใจเป็นคนมีน้ำใจห่วงใยผู้อื่นแม่ยุ่มากแล้วก็ไม่เห็นแก่ ความเหน็ดความเหนื่อยในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยนะก็คือเมื่อประมาณช่วงสงกรานต์เนี่ยอยู่สองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยไล่ๆกับการเผยแพร่คลิปเนี่ยเกี่ยวกับคุณปูกคนนี้มันก็มีข่าวเกิดขึ้นในประเทศอเมริกานะเกิดขึ้นไล่ๆกันเลยนะสามกรณีคือผู้หญิงคนนึงเนี่ยกับเพื่อนเนี่ยขับรถ จะไปหาเพื่อนรากว่าเลี้ยวเข้าผิดบ้านคือบ้านในอเมริกาเนี่ยเขาไม่มีรั้วแต่เขาจะมีทางเล็กๆให้รถเนี่ยขับไปถึงถึงหน้าบ้านหนุ่มสาวกลุ่มเนี่ยนะสามสี่คนก็เข้าใจว่านี่เป็นบ้านเพื่อนก็เลยขับรถนะ ก็ไปในบ้านของชายคนหนึ่งชายคนนั้นเนี่ยพระเอเิญนะก็อยู่ตรงระเบียงพอดีอายุ84ปีพอเห็นรถคันหนึ่งที่ไม่รู้จักเนี่ยตรงเข้ามาจริงรถก็หยุดแล้วนะเพราะเขารู้เลยว่าเลี้ยวข้อผิดบ้านก็กำลังจะถอยแต่ว่าชายอายุ84 อายุก็ลหลายๆคุณปูช่ชาวญี่ปุ่นเนี่ยไมีปืนอยู่ใกล้ๆนะแล้วก็อาปืนเนี่ยยิงเข้าไปในรถเลยนะโดยที่ไม่มีการซักถามอะไรทั้งสิ้นยิงเข้าไปในรถเพราะ ว, ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งตายและลายการวันสองวันหลไรจากนั้นเนี่ยก็มีชายหนุ่มผิวดำคนหนึ่งเนี่ยจะไปรับน้องชายพกก็เดินเข้าผิดบ้านนะ บ้านของคนอเมริกันก็อยากอย่างที่บอลนนะัก็ไม่มีไม่มีรัว้วเดินเข้าไปได้เลยนะพอก็กดกดกริ่งนะเจ้าของบ้านก็รู้ขึ้นมานะทันทีว่ามีคนมาแล้วคงจะมองแต่ไกลก็พบว่าเป็นคนที่ไม่รู้จักเป็นชาวผิวดำจึวก็ยิบปืนให้มาเลยนะแล้วพอหนุ่มผิวดำคนนั้นเนี่ยนะ บิดลูกบิดประตูเนี่ยเตรียมจะเปิดพอประตูเปิดแกก็ยิงปืนสวนเข้าไปเลยนะสวนเข้าไปทนทียิงทีเดียวไม่ใช่ยิงทีเดียวยิงสองครั้งเขาล้มแล้วยิงซ้ําอีกแต่เวาลานี้ไม่ตายแต่ก็สาหัสก็เหมือนกันนะไม่มีการซักถามว่าเป็นใครเหยนแค่เขาเขาเปิดประตูบ้านหรือทีจริงเนี่ยเขาไม่ทันได้เปิดหรอกแต่ว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเปิดประตู พอนะเปิดประตูเสร็จก็ยิงสวนเข้าไปเลยอีกลายหนึ่งใกล้ๆกันนะมีชายหนุม่มหญิงสาวกลุ่มหนึ่งออกจากห้างจะเดินไปที่รถรบอกว่าเดินไปแต่ไปหารถผิดขันไอรถที่เคพื่อเป็นของตัวเองเนี่ยมันมีชายหนุ่มคนหนึ่งอยู่พอมันเห็นคนกลุ่มหนึ่งตรงเข้ามาที่รถของตัวก็ยิงสวนไปเลย ตายนะมีคนหนึ่งตายทั้งสามกรณีเนี่ยนะมัน ค, คล้ายๆกันอยู่อย่างหนึ่งนะก็คือว่าผู้ที่ถูกยิงเนี่ยหรือเรียกว่าเหยื่อเนี่ยเขาไม่ได้ถืออาวุธอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้มีถีท่าจะคุกคามหรือเป็นอันตรายต่อเจ้าของบ้านหรือเจ้าของรถ แล้วก็เจ้าของบ้านเจ้าของรถก็ไม่ได้มีการสอบถามว่าเป็นใครหรือมีการเตือนล่วงหน้าแต่เพียงแค่เห็นว่าเข้ามาในพื้นที่ของตัวเขตบ้านของตัวหรือก็ามาใกล้ชิดรถของตัวก็ยิงเข้าไปเลยคือแทนที่จะถามก่อนหรือเช็คให้แน่ใจาว่าเป็นผู้ร้ายหรือเปล่านะ ไม่สนใจนว่าเป็นผู้ร้ายหรือไม่ไม่สนใจว่าเป็นผู้ที่จะปองร้ายตัวเองหรือไม่ขอยิงก่อนเพื่ออะไรเพื่อให้ตัวงปลอดภัยก่อนคนอื่นจะตายไม่เป็นไรแต่ฉันขอให้ฉันปลอดภัยอันนี้มันเป็นความความคิดหรือทัศนคติที่ตรงข้ามกับคุณปู่ชาวญี่ปุ่นคนนั้นเลยนะคุณปู่ชาวญี่ปุ่นคนนั้นเนี่ยแก ยอมเหนื่อยยากเพื่อช่วยชีวิตผู้คนแต่ว่ามือปืนในอเมริกาทั้งสามกรณีเนี่ยคนกลับคิดว่าเนี่ยใครจะเป็นยังไงจะเป็นตายแลดียังไงฉันไม่สนใจฉันขอปลอดภัยเอาไว้ก่อนไม่รู้นะเขาเป็นผู้ร้ายหรือไม่แต่ยิงก่อน เพื่อความปลอดภัยคือเรื่องกายิงก่อนถามทีหลั ง, งอันนี้มันเป็นท่าสัคติที่สะท้อนความเห็นแก่ตัวหรือว่าความนึกถึงตัวเองอย่างสุดโต่งเลยนะฉันขอปลอดภัยก่อนส่วนคนอื่นนี่จะเป็นยังไงช่างมันเป็นผู้ร้ายหรือเปล่ากูไม่รู้ แต่กูขอปลอดภัยไว้ก่อนอันนี้มันเรียกว่าเป็นทัศนกติที่เรียกว่าเห็นแก่ตัวเองอย่างเรียกว่าเต็มที่เลยซึ่งส่วนนี้ก็เกิดจากความกลัวนะความกลัวคนอเมริกันเดี๋ยวนี้มันมีความกลัวสูงมากกลัวคนจะมาทํำร้าย แล้วยังมีข่าวการกราดยิงคนตายมากมายก็ยิ่งกลัวขึ้นไปอ่ะแลวกฎหมายก็เปิดช่องเลยนะว่าสามารถจะถือครองอาวุธได้จากอิสร ะ, ะถือครองอาวุธนี่นะบางรัฐนนี่อ น, นุญาตถือครอง จางเปิดเผยบนท้องถนนเลยนะปืนนี่ไม่ ป, ปืนธรรมดาบางที่ก็เป็นปืนกลนะอาก้าเนี่ยก็ถือปืนเกลื่อนกลาดอานุญาตให้ทำได้เพื่ออะไรเพื่อป้องกันตัวแล้วไม่มีกฎหมายข้อหนึ่งนะในหลายรัฐเนี่ยเขาอนุญาตว่าถ้ามีใครมาลุกล้ำในพื้นที่ในเขตพื้นที่ของตัวเอง ถ้าหาว่ามีท่าทีคุกคามสามารถที่จะตอบโต้ด้วยการยิงหรือฆ่าเขาได้กฎหมายนุยายให้ทำได้ว่าไม่ผิดนะ ท, ท, ทั้งที่ผู้ที่เป็นเหยือนี่ก็อาจจะไม่ได้มีความคิดที่จะมุ่งร้ายแต่ถ้ามาล่วงล้ำในพื้นที่ ที่เป็นส่วนตัวถือว่าลุกล้ำแล้วลุกล้ำเขตบ้านนี่ก็ถือว่าผิดกฎหมายแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าของบ้านมีสิทธิ์ยิงทำร้ายในข้อหาด้วยเหตุผลว่าเพื่อป้องกันตัวที่จริงเวลาในในประเทศอื่นเนี่ยถ้าว่ามีภัยคุก ค, คามเนี่ยอย่างแรกที่ควรทำคือหนีหรือไม่ฉะนั้นก็ปิดบ้านแน่นหนา แต่ว่าในอเมริกาเขาอนุญาตให้ทํายิ่งกว่า น, นั้นได้คือยิงสวนกันไปเลยไม่ถือว่าทําเกินก่อเหตุเพราะไม่มีกฎหมายแบบนี้เขาก็เลยทําให้คนเนี่ยถือสิทธิ์ในการที่จะทําร้ายใครก็ได้เพียงแค่ให้ตัวเองปลอดภัยไว้ก่อนแล้วมันก็น่าคิดนะคนหนึ่งนี่ยอมเสียสละเพื่อช่วยเหลืออีกคนช่วยเหลือผู้อื่นแต่คนหนึ่งเนี่ยพร้อมที่จะ ทำลายคนอื่นเพื่อความปลอดภัยของตัวเองคนสองคนสองประเภทนี้เนี่ยดูเหมือนตรงข้ามนะแต่ว่าเราเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นอย่างคนใดคนหนึ่งก็ได้เราแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยสามารถจะเป็นอย่างคุณปู่คนนั้นก็ได้หรือจะเป็นอย่างเจ้าของบ้านหรือเจ้าของรถที่สามารถที่จะยิงคนที่เข้ามา ในอนาเขตของตัวได้โดยที่กฎหมายคุ้มครองหรืออาจจะโดยไม่รู้สึกผิดก็ได้แล้วทำไมคนเราเนี่ยสามารถจะเป็นอย่างนั้นได้นะก็เพราะว่าหนึ่งมีความกลัวคนเราถ้ามีความกลัวเนี่ยนะมันก็พร้อมที่จะทำอะไรก็ได้นะเพื่อปกป้องตัวเองแต่มไม่ใช่แค่ความกลัวเดียวนะมันต้องเกิดจากการที่มีความถิงแก่ตัวอย่างยิ่งนะ คือนึกถึงจากตัวเองพอนึกถึงแต่ตัวเองแล้วเนี่ยถ้ามันนึกถึงแต่ตัวอย่างสุดโต่งเนี่ยมันก็ไม่สนใจคนอื่นแล้วคนอื่นจะตายยังไงฉันไม่สนใจฉันปลอดภัยไว้ก่อนพีนี้คนเราก็สามารถจะเป็นอย่างนั้นได้นะเพราะว่าไอ้ทัศนคติแบบนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สามารถจะสะสมขึ้นมาได้เทเลนิตเทเลนิตเทเลนิตอาจจะเริ่มจากระดับที่มันไม่อันตราย อย่างเช่น่ทิ้งขยะทิ้งขยะไม่เป็นที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัดจะเป็นโรงพยาบาลจะเป็นมหาวิทยาลั ย, ลยโรงเรียนสถานที่สาธารณะสวนสาธารณะมีหลายคนก็ทิ้งตามสบายขยะเนี่ยโดยที่ไม่ได้สนใจคนอื่นว่าเขาจะเดือดร้อนอยังไงจากการกระทําของตัวเองอันนี้มันเกิดจากอะไรเนี่ยเกิดจากความคิดหรือทัศนคติที่ เอาตัวเองเป็นใหญ่ฉันขอสบายก่อนฉันีเกียดถือขยะถือถุงพลาสติกถือขวดเปล่าที่จริงแค่ถือสักหน่อยสักพักแล้วก็เดินไปที่ทั้งขยะมันก็ไม่ยากอะไรแต่หลายคนก็ถือว่าอมันเสียเวลาไม่อยากเดินไปทั้งขยะแล้วก็ไม่อยากถือนานซึ่งมาตรงนั้นแหละอันนี้ก็มีคนเป็นอย่างนี้เยอะนะ อันนี้ก็เกิดจากความคิดที่เอาตัวเองเป็นใหญ่เอาความสะดกสบายโดยที่ไม่ได้นึกถึงคนอื่นไม่ได้นึกถึงสิ่งวาดล้อมต่อมาเนี่ยก็อาจจะทําสิ่งที่มันอเพิ่มระดับความเห็ิแกตัวมากขึ้นเช่นเวลาไปตักอาหารในร้านอาหารเนี่ยเขามีบุฟเฟ่นเนี่ยหรือแม้แต่ตักอาหารในวัดก็ตามเนี่ยตักเยอะๆไว้ก่อนตักเยอะๆ กินหมดหรือเปล่าไม่รู้แต่ฉันชอบนี่ฉันก็ตักไว้ก่อนไม่สนใจคนอื่นนะคนที่มาข้างหลัง ว, ว่าก็จะมีกินไหมหรือเขาจะหรือจะเหลือเขาได้กินไหมไม่สนใจอันนี้ก็มีเยอะนะเยอเยอะไว้ก่อนจนกระทั่งบางร้านเนี่ยนะเดี๋ยวนี้ก็มีระเบียบเลยนะถ้าตักบุฟเฟ่นเนี่ยตักเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าถ้ากินไม่หมดนี่ถูกปรับขนาดนี้นี่ก็ยังหาทางนะซ่อน อาหารนะกินไม่หมดนะก็ไปซ่อนไปใส่ไว้ไปแอบไว้ตามมุมมุมกำแพงเจ้าที่หรือพนัก ง, งานก็จะได้ไม่เห็นจะได้ไม่ถูกปรับแบบนี้ก็มีเยอะนะนี่มันทอดสะทอ้อนทัศกกติที่นึกถึงแต่ตัวเองไม่นึกถึงคนอื่นต่อไปก็อาจจะประเภทว่าเวลาเปิดเพลง เวลาจัดปาร์ตี้เวลาเลี้ยงฉลองวันเกิดก็เปิดเพลงเสียงดังฉันขอสนุกก่อนคนอื่นจะเป็นยังไงฉันไม่สนใจเพื่อนบ้านจะเป็นยังไงคนนอนหลับหรือไม่กูไม่สนนะเนี่ยมันก็เริ่มค่อยแไต่ระดับขึ้นมานะสะสมหรือว่าเสริมสร้างนิสัยที่คิดถึงแต่ตัวเองนะไม่สนใจคนอื่นแล้วพอนี้มากเข้ามากเข้านะ ต่อไปมันก็จะแสดงอาการที่ดุุนแรงมากขึ้นวัยรุ่นหลายคนเนี่ยนะไปช่ำเราผู้หญิงเนี่ยโดยที่ไม่สนใจเลยนะมันจะสร้างความเดือดร้อนให้เขายังไงไม่สนใจว่าเขาจะทุกข์ระทมยังไงขอฉันขอสบายไว้ก่อนฉันขอสนองความอยากหรือระบายความกลัดมัน ันงทีก็ไปฆ่าคนนะหลายคนที่ติดคุกมาเนี่ยนะพอมีคนไปถามว่าทำไมถึงทำร้ายเขาทำไมถึงไปฆ่าเขาบอกไม่ได้คิดเลยแค่อยากจะแสดงให้เพื่อนเห็นว่าเนี่ยผมกล้าหารผมกล้าทำอยากให้เพื่อนยอมรับส่วนคนอื่นจะเดือดร้อนอยังไงไม่เคยคิดไม่เคยสนใจนคน้อนเนี่ยมัน อูดีๆเนี่ยจะกลายเป็นฆาตกรที่ยิงคนแปลกหน้าที่เข้ามาในบ้านเนี่ยหรือเข้ามาในเขตบ้านเนี่ยมันไม่ใช่มาทําได้ง่า ย, ายๆมันต้องผ่านการสะสมนะนิสัยที่คิดถึงแต่ตัวเองไม่สนใจคนอื่นอย่างตัวอย่างที่พูดมาเนี่ยอันนี้มันต่างจากคนที่เป็นผู้ร้ายนะแล้วไปไปฆ่าคนเพื่อไปปล้นเอาทรัพย์เนี่ยหรือไปวางยาพิษเพื่อจะเอาเงินอย่างที่เป็นขาวเมื่อเร็วๆนี้ไอ้คน เหล่นั้นเนี่ยมีนิสัยเป็นฆาตรกรเป็นผู้ร้ายซึ่งก็แน่นอนนะมันก็เป็นนิสัยที่สะสมมาแต่ตัวอย่างที่ยกมาเนี่ยนะสามคนที่ไปยิงคนที่เข้ามาในเขตบ้านหรือเข้ามาใกล้รถของตัวเนี่ยพวกนี้ก็จริงจริก็เหมือนก็เป็นคนทั่วไปนะไม่ได้เป็นผู้ร้ายอะไรเลยแต่เพราะความกลัวหนึ่งนะกลัวใครเข้ามาใ ก, ใกล้ๆใครเข้ามาในเขตบ้านนี่ต้องสันนิษฐานว่าเป็นผู้ร้ายไว้ก่อน เร่อันนี้คือว่าจะเป็นผู้ร้ายหรือเปล่าไม่รู้แต่ยิงก่อนเพื่อให้ตัวเองปลอดภัยกูปลอดภัยก่อนส่วนอื่เขาจะเป็นยังไงกูไม่สนอันนี้มันไม่ เ, เป็นวิสัยของผู้ร้ายนะที่เป็นที่ฆ่าคนเพื่อจองเอาทรัพย์นะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับคนทั่วไปที่คิดถึงแต่ตัวเองมากๆนั่นถ้าเกิดว่าคนเราเนี่ยคิดถึงแต่ตัวเอง บ, บ่อยๆเนี่ยนะ มันง่ายมากที่มันจะสะสมนิสัยที่ทำให้เรากลายเป็นฆาตกรหรือเป็นผู้ร้ายได้อย่างง่ายดายแล้วเดี๋ยวนี้มันก็มีสภาพสังค ม, มก็ส่งเสริมให้คนคิดแบบ น, นั้นมากขึ้นเรื่อยๆในการที่คิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยมันคนละอย่างกับการรู้จักมองตนนะพุทธศาสนาเนี่ยท่านบอกให้รู้จักมองตนให้รู้จักรักตนจริงๆถ้ามองตนหรือรักตนอย่างถูกต้องเนี่ยมัน มันจะไม่ทําอย่างนั้นนะนะคนที่มองตนคนที่รักตนเนี่ยเขาจะนึกถึงผู้อื่นเขาจะมีแม่ตากรุณาไอ้คนที่ไม่ถึงนึกไอ้คนที่ไม่นึกถึงตนเองเอไม่นึกถึงผู้อื่นเนี่ยนะเป็นเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้มองตนเท่าไหร่ถ้ามาใคร่ควรหรือมองตนอยู่เสมอเนี่ยมันจะไม่ไปความเห็งแก่ตัวหรือความกลัว ครอบงำจนกระทั่งทำร้ายคนโดยที่ไม่ยับยั้งชั่งใจและการมองตนเนี่ยถ้ามองตนเป็นเนี่ยมันจะมีแต่ความมันจะนำไปสู่ความเอื้อเฟื้อจะนึกถึงผู้อื่นคนที่ยิ่งปฏิบัติธรรมแล้วก็ยิ่งนึกถึงตัวเองมากขึ้นเนี่ยหรือว่านึกถึงคนอื่นน้อยลงเนี่ยอันนี้เรียกว่าไม่ได้ปฏิบัตินะถูกต้องเท่าไหร่ ใครจะคิดว่าเขาอ่ากำลังมองตนในที่จริงเนี่ยค่อยเห็นแก่ตัวมากกว่าหรือว่าไม่ได้มองตนอย่างถูกต้องมันไม่ได้ขัดแย้งกันนะระหว่างการนึกถึงคนอื่นนะกับการหมันมองตนมันไปด้วยกันเลยทีเดียวเพราะหมันมองตนนี่นแหละนะจึงนึกถึงผู้อื่นหรือเอื้อเฟื้อเกอื้อกูลผู้อื่นเพราะว่าทําให้ความเห็นแก่ตัวน้อยลง แต่ถ้ามองตนน้อยเท่าไหร่เนี่ยมันก็นึกถึงคนอื่นน้อยเท่านั้นเพราะว่าจิตใจก็เต็มไปด้ยวยความแค่ตัวยิ่งมีความกลัวและเป็นเจ้าเรือนเนี่ยมันยิ่งง่ายมากเลยนะที่จ ะ, ะทำร้ายคนถ้าว่ามีโอกาสเพียงเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีความปลอดภัยหรือว่าไม่มีภัยมาคุกคาม หรือนาก็น่าคือไปทำร้ายคนเพื่อที่จะปลนเปิดตนนะด้วยเงินด้วยทรัพย์ด้วยดนะ้วยความสุขชั่วครู่ชั่วอย่างล้วเราปฏิบัติธรรมเนี่ยนะหัวใจขอการปฏิบัติธรรมคือการหมนมันมองตนหมันมองตนนี่ก็คือหมันรู้ทันความคิดรู้ทันกิเลสรู้ทันความเป็นแกตัวแล้วมันจะช่วยทำให้ความเป็นแกตัวเบาบาง เมียม่ายครอบงามจิตใจลราน้อยลงและเปิดช่องให้ความเมตตากรุณาวความมีน้ำใจเนี่ยจะเลยงอกงามขึ้นและยิ่งทำก็จะพบว่ามีความสุขอย่ายงคุณปูเนี่ยแม้ว่าจะดูเหนื่อยกายนะแต่ว่าแมีความสุขจากการที่ได้ช่วยคนไม่ให้ค่าตัวตายแกมีความสุขแกยิ่งทางทุกวันเระยิ่งทางทุกวันนะ แล้วยิงมีความสุขมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งเกิดแรงจูงใจที่จะทำเพื่อผู้อื่นมากขึ้นถ้ามันก็ไปด้วยกันนะถ้าเรามองมันมองตอนเราก็จะนึกถึงผู้อื่นแล้วเมื่อเราทำผู้อื่นเราก็จะมีความสุขและความสุขที่สัมผัสในใจได้มันก็ทำให้เกิดแรงจูงใจที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลผอื่นมากขึ้น